เรื่องการใช้วัตถุอื่นแทนบาทสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้กะโหลกน้ำเต้าเที่ยวบินทบาทคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงใช้กะโหลกน้ำเต้าเที่ยวบินทบาทเหมือนพวกเดียรถีเล่า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 ใช้หม้อกระเบื้องเที่ยวบินทบาทคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลนทนาว่าฉไหนพวกพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงใช้หม้อกระเบื้องเที่ยวบินทบาทเหมือนพวกเดียรถีเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้หม้อกระเบื้องเที่ยวบินทบาทรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถือของทุกอย่างเป็นของบางสุกุลท่านใช้บาทกะโหลกผีสตรีผู้หนึ่ง เห็นแล้วกลัวส่งเสียงร้องว่าผู้นี้เป็นปีศาจแน่คนทั้งหลายตำหนิประนามพนทนาว่าชไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงใช้บาดกะโหลกผีเหมือนพวกปีศาจเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาทกะโหลกผีรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ควรมีของใช้ทุกอย่างเป็นของบางสุกุลรูปใดมีต้องอาบัตทุกกฎ สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้บาทรองรับเศษอาหารบ้างก้างบ้างน้ำบ้วนปากบ้างคนทั้งหลายตำหนิประนามพรทนาว่าฉไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้ฉันในภาชนะที่ตัวเองใช้เป็นกระถน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 เราอนุญาตให้ใช้กระถน